จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันสุขที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 5 7เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันมากระบูชา เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญสำคัญเกิดขึ้นอยู่สี่ประการด้วยกันที่ภาษาบาลีเรียกว่าจาตุรงสังคันสังคันอิบาทก็คือมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันแผ่นเดือนสามในสมัยพระพุทธการในครั้งที่ พระบรมรสาสดาพระอาหารตาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่เป็นเวลาเจดเดือนหลังจากที่ได้ประกาศพระธรรมคำสอนเป็นครั้งแรกในวันเพ็ญเดือนแปแล้วหลังจากนั้นต่อมาเจดเดือนคือ มาถึงวันเพ็ญเดือนสามก็มีพระอาหารหันตสาวร1250สรรูปได้เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้มีการนัดหมายกันนี่คือปรากฏการที่มีเพียงครั้งเดียวของพระพุทธาศาสนาในแต่ละ ยุคในแต่ละสมัยคือวันนี้เป็นวันที่มีพระภิกษุหนรอรูปได้เดินทางมาจากสารธิตต่างๆมาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าก่อนประการที่สองพระภิกษุ1น5 0รูปนี้ล้วนเป็นพระอาลันตัสาวก เป็นผู้ได้ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจนได้บรรลุถึงพระนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดประการที่สามเป็นเอหิภิกขุคือเป็นพระภิกษุที่พระบรมศาสดาเป็นผู้อุปสมบทให้ ด้วยการกล่าววาจาสั้นๆว่าจงมาเป็นภิกษุเถิด น, นี่คือการบวชสมัยแรกๆของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจะทรงเป็นผู้บวชให้และก็ไม่มีพิธีกรรมยืดยากเหมือนสมัยนี้สมัยนั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานก็เลยทรงทมแบบ เรียกง่ายก็คือกล่าวคำสั้นๆว่าจงมาเป็นภิกษุเถิดก็ถือว่าได้บวชในพระพุทธศาสนาแล้วพระภิกษุทั้ง1250รูปนี้ได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ยินพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนสามารถบรรลุ ถึงพระนิพพานได้ก็เลยเกิดศรัทธาที่อยากจะบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาท่านเหล่านี้ส่วนใหญ่ท่านก็เป็นนักบวชมาก่อนแต่ท่านเป็นนักบวชในลัฐที่อื่นที่ไม่มีคําสอนที่วิเศษเหมือนกับคําสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นหลังจากที่ได้รับผลประโยชน์จากการ ได้ยินได้ฟังพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าจนสามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วก็เกิดศรัทธาอยากจะบวชตามพระพุทธเจ้าอยากจะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าก็เลยขอพุทธานุญาตขอบวชจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ส่งตัดง่ายๆว่า เอกิพิกุแปลภาษาไทยว่าจงมาเป็นภิกษุเถอดด้านหลังนั้นก็ได้กลายเป็นพระในบวถของพระพุทธศาสนาและประการที่สี่เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงหัวใจของคำสอนของพระพุทธเจ้าคือคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ ถึงแม้จะมีมากมายนับเกือบไม่ถ่วนเช่นในพระไตรปิฎกก็มีจารึกไว้ถึงแปดหมืสี่พันพระธรรมบขันธ์ด้วยกันแต่หัวใจของคำสอนทั้งหลายนี้มีอยู่เหมือนกันอยู่เพียงสามข้อเท่านั้นก็คือหนึ่งให้ละ ก, การกระทามบาปทั้งบวงสอง ให้สร้างกุศลให้ถึงพร้อมสามให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือสรุปความสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าผู้ใดสามารถปฏิบัติตามคำสอนทั้งสามข้อนี้ได้ผู้นั้นก็จะได้บรรลุถึงพระนิพพานอย่างแน่นอนและภายในชาตินี้ด้วย นี่คือความสำคัญของคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้ามาประกาศพระธรรมคำสอนอันนี้ไม่ปรากฏมีผู้ใดสามารถที่จะปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลย แต่พอมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้มาพบวิธีการปฏิบัติมาพบทางที่จะนำพาผู้ปฏิบัติให้ก้าวออกจากวัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พอได้ฟังคาสอนอันปิะเิยนี้แล้วนำไปปฏิบัติจิตใจที่เคยถูกความหลงหลอกให้เวียนว่ายตายเกิด ก็หายหลงสามารถเดินออกจากวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายถึกได้จึงปรากฏมีพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเป็นจำนวนมากถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วมาเผยแผ่พ่ะธรรมคำสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ทั้งหลายผู้ที่ไม่รู้ทั้งหลายอย่างพวกเรา จะไม่มีวันที่จะได้เลดลอดหลุดพ้นออกจากวัตะแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี่เลยพวกเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดกันไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดภพชาติของพวกเราการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเรานี้ที่ผ่านมานี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามีจํานวนมากจนไม่สามารถ นับปริมาณได้นับจํานวนได้เพียงแต่สามารถวัดกับน้ำตาที่พวกเราหลั่งได้ว่าน้ำตาที่พวกเราหลั่งกันในแต่ละพบในแต่ละชาติอย่างที่เราพบกับความทุกข์ใจความเศร้าโศกเสียใจนี้ถ้าเราเอามารวบรวมกันไว้แล้วมันจะมีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียอีก นี่คือปริมาณของภพชาติที่พวกเราได้เกิดแก่เจ็บตายได้ร้องหผงร้องไห้กันมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระธรรมคำสอนอันกระเสริฐของพระพุทธเจ้า ผู้ใดได้ยินได้ฟังแล้วสามารถน้อมเอาไปปฏิบัติได้ผู้นั้นไม่ช้าก็เร็วก็สามารถหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่พวกเรากราบไหว้บูชาท่านก็เป็นบุคคลธรรมดาสามัญเหมือนกับพวกเรามาก่อนแต่หลังจากที่ได้ พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาอันแรงวล้าที่จะปฏิบัติตามอย่างเต็มที่อย่างสุดกำลังพอได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่อย่างสุดกำลังแล้วไม่นานผลก็ปรากฏขึ้นมาได้บรรลุเป็นพาาาระอรหันตสาวกเป็นสาระเป็นที่พึ่งของพวกเราต่อไป พวกเราก็สามารถที่จะปฏิบัติและบรรลุเป็นพระอาหารหันตาสาวกได้เพราะไม่มีอะไรที่จะมาเป็นอุปสรรคถ้าเรามีอาการา32ครบถ้วนบริบูรณ์มีกายวาจาใจมีฉันทะวิริยะคือมีความยินดีที่จะปฏิบัติ เนวิริยะคือความภาคเพียรความขยันที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ารับรองได้ว่าพวกเราก็สามารถที่จะบรรลุ ถ, ถึงผลอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุถึงแล้วนำเอามาเผยแก่สั่งสอนให้แก่พวกเรา ไม่ไม่มีอะไรจะมาเป็นอุปสรรคได้สิ่งเดียวที่เป็นอุปสรรคก็คือการปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็จะไม่เกิดผลถ้าเราปฏิบัติมันก็จะเกิดผลอย่างแน่นอนเพศวัยไม่สำคัญเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ปฏิบัติได้เป็นนักบวชหรือเป็นคารวะก็ปฏิบัติได้ไม่ได้อยู่ที่เพศที่วัยไม่ได้อยู่ที่อายุ ว่าจะอายุมากหรืออายุน้อยเป็นหญิงหรือเป็นชายไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่ามีสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญายาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนหรือไม่เท่านั้นเองคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อการหยุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมาปฏิบัติมาเท่านั้นดังนั้นถ้าพวกเราอยากจะได้ผลอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวุกทั้งหลายได้รับพวกเราก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนทั้งสข้อนี้คือละการกระทาบาป ท, ทั้งปวง การละการกระทำบาปก็คือการรักษาศีลอย่างที่พวกเราได้สมาทานกันในเบื้องต้นนี้เช่นละจากการฆ่าจากการลักทรัพย์จากการประพฤติประเวณีจากการโกหกหลอกลวงจากการเสพสุรายาเมานี่คือบาปที่เราไม่ควรกระทำกัน เพราะถ้าเราทำแบาปแล้วเราก็จะติดกับของการเวียนว่ายตายเกิดจะต้องไปใช้กรรมในภพชาติที่ไม่น่าปรานากันเช่นภพชาติของของเดรัจฉานของเปรตของอสุรกายและของนารนนี่คือที่ไปของดวงวิญญาณที่ออกจากร่างกายนี้ไป เวลาที่ร่างกายนี้บทลมหายใจไปแล้วแต่ใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจต้องไปตามบาปตามบุญที่ได้ทำเอาไว้ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงให้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอสุรกายบ้างหรือไปตกนรกบ้างแต่ถ้าเราไม่ทำบาป เราก็จะไม่มีบาปที่จะเดินให้เราไปเกิดในอบายเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยไม่ต้องไปใช้เวรใช้กรรมในอบายแต่ถ้าเราสามารถปฏิบัติข้อที่สองได้คือทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลให้ถึงพร้อมบุญก็คือการทาความดีต่างๆเช่นการทำทานใส่บาต อย่างนี้ก็เรียกว่าบุญหรือการทำความดีต่อผู้อื่นต่อผู้มีพระคุณเช่นบิดามารดาคือความกะตันยูกะตะเวทีทดแทนบุญคุณต่อท่านที่มีพระคุณกับเราหรือมีความเมตตาสงสารช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกัน นี่เรียกว่าเป็นการกระทำบุญหรือการกระทำกุศลถ้าเราทำกุศลเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปกุศลนี้ก็จะพาให้เราได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆได้เป็นเทพขั้นต่างๆนี่คืออันที่สองที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติสองข้อแรกคือไม่ทำบาป แล้วก็ทำแต่บุญพอตายไปบุญก็จะดึงให้เราได้ไปเกิดเป็นเทวดาขั้นต่างๆการเป็นเทวดาก็เหมือนกับการที่เราได้ไปท่องเที่ยวในต่างประเทศนั่นเองเราอยากจะไปประเทศไหนก็สามารถไปได้เพราะเรามีเงินซื้อตัว๋วเครื่องบินเรามีเงินจ่ายค่าโรงแรมจ่ายค่าทัวร์บุญก็เป็นอย่างนั้น บุญก็จะพาเราไปท่องเที่ยวในสวรรค์จนกว่าบุญที่เราได้ทำไว้นี้หมดไปเราถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าเราอยากจะไปแบบไม่กลับเราก็ต้องทำปฏิบัติตามข้อที่สาคือเราต้องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์สิ่งที่เราต้องชำระสิ่งที่ทำให้ใจของเรา ไม่สะอารบริสุทธิ์ก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆอันนี้เราต้องชาระมันอย่าทาตามความโลภใช้ให้ทาตามเหตุผลถ้าเราต้องการอะไรถ้ามีความจำเป็นเช่นปัจจัยสี่ที่จะมีไว้สาหรับดูแลรักษาร่างกายของเราถ้าเราหาปัจจัยสี่มา พอประมาณคือพอต่อความต้องการของร่างกายอย่างนี้ไม่เรียกว่าโลกไม่เรียกว่าอยากเรียกว่าเป็นความจําเป็นแต่ถ้าหามามากกว่านั้นมากเกินความจําเป็นถึงจะเรียกว่าโลกเช่นมีปัจจัยสี่เป็นสิบเท่าร้อยเท่าของความจําเป็นของเรา อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าโลกพระพุทธเจ้าสูงสอนให้พวกเรามีความมักน้อยสันโดษเพื่อที่จะได้ต้องกันไม่ให้เกิดความโลภขึ้นมาภายในใจเพื่อเป็นการชำระความโลภให้เบาบางลงไปถ้าเรามีความมักน้อยความโลภ ก, ก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้เพราะเราจะต้องการเพียงสิ่งที่จำเป็นต่อการดารงชีพเท่านั้น สิ่งใดที่ไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพจะไม่ต้องการจะไม่อยากได้นี่คือการชาระใจต้องชาระความโลภความโกรธความหลงและการที่จะชาระให้หมดไปได้อย่างถาวรจำเป็นจะต้องปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตตภาวนาคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา สมทาทานภาวนาคือการทำใจให้สงบเวลาใจสงบแล้วความโลภความโกรธความหลงก็จะสงบตัวชั่วคราวแต่เวลาออกจากความสงบมาความโลภความโกรธความหลงก็จะฟื้นขึ้นมาเวลาที่ออกจากสมาธิแล้วออกจากความสงบแล้ว จึงจำเป็นต้องเจริญวิปัสนาภาวนาต่อวิปัสสนาก็คือการเจริญปัญญาพิจารณาดูให้เห็นความจริงว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นเหตุที่ทําให้ใจเรามีความรุ่นวายมีความไม่สบายใจและสิ่งที่เราโลภเราอยากได้มาก็จะทําให้เรา ติดพันกับสิ่งต่างๆจะทำให้เราต้องทุก์กับสิ่งต่างๆที่ได้มาเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราได้มานี้เป็นของชั่วคราวทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของถาวรได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องสูญเสียเขาไปเวลาที่เขาจากเราไปเวลานั้นก็จะเป็นเวลาเศร้าโศกเสียใจ เวลาที่เขายังไม่จากไปก็เป็นเวลาที่เราต้องวิตกกังวลเพราะเรากลัวว่าเขาจะจากเราไปยนันการได้อะไรมาจึงไม่ได้ความสุขได้ความสุขเพียงเล็กน้อยแต่ได้ความทุกข์มากกว่าเพราะว่าเมื่อได้มาแล้วก็ต้องหวงต้องห่วงแล้วก็ต้องมาเสียใจเวลาที่เขาจากเราไป ถ้าเราใช้ปัญญาสอนใจอย่างนี้ต่อไปเวลาเกิดความโลภอยากได้อะไรใจก็จะไม่อยากได้เพราะว่ามันไม่ได้ความสุขนั่นเองมันได้ความทุกข์มาถ้าเราสอนใจอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปเราก็จะตัดความโลภได้ถ้าเราไม่มีความโลภเราก็จะไม่มีความโกรธ เพราะความโกรธนี้ก็เกิดจากความโลภนั่นเองเวลาเราโลภอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจเราก็จะโกรธเช่นเราอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จากคนนั้นคนนี้พอเขาไม่ให้เราเราก็จะโกรธเขาขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ได้มีความอยากได้อะไรจากเขาเราจะไม่โกรธเขาเลยเพราะว่าเราไม่ต้องการอะไรจากเขานั่นเอง เราไม่ผิดหวังเราไม่เสียใจแต่ถ้าเราหวังเราอยากได้อะไรจากเขาแล้วเขาไม่ให้เราเราก็จะโกรธเขาเราก็จะเสียใจดังนั้นความโกรดนี้เกิดจากความโลภจากความอยากได้ถ้าเราไม่มีความโลภแล้วเราก็จะไม่มีความโกรธส่วนความโลภความอยากได้ก็คือก็เกิดจากการที่ไม่มีปัญญานั่นเอง ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราโลภอยากได้นี้นําความทุกข์มาให้กับเราไม่ได้นําความสุขมาให้กับเราใจเราจะต้องวุ่นวายวิตกกังวลห่วงใยเสีย อ, อกเสียใจกับสิ่งที่เราได้มาเสมอนี่คือปัญญาที่จะทำให้เราไม่หลงกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เมื่อเราไม่หลงเราก็จะไม่โลภ ก็เรารู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเมื่อเราไม่โลภเราก็จะไม่โกรธเมื่อเราไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงใจเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์พอใจสะอาดบริสุดก็จะไม่มีเชื้อของภพชาติไม่มีตัวที่จะพาให้เราไปเวนว่าตายเกิด ตัวที่พายเราไปเวียนว่าตายเกิดก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่เองพอเราไม่มีแล้วเราก็ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปเหมือนกับรถยนต์ที่น้ำมันหมดแล้วรถยนต์ก็ไม่วิ่งไปไหนได้น้ำมันนี่เป็นเชื้อเป็นทะเป็นเชื้อเพลิงที่จะทำให้รถวิ่งไปไหนมาไหนได้พอน้ำมันหมดรถก็ต้องจอดอยู่ตรงนั้น ชันใดใจที่ไม่มีน้ำมันของอพชาติก็คือความโลภความโกรธความหลงใจก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่ต่อไปแต่การไม่เกิดใหม่ของใจนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความสุขนะจะเป็นความสุขอย่างยิ่งเพราะใจที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี้จะเป็นใจที่มีความสงบและความสงบนี่แหละที่เป็นตัวที่ทาให้ใจมีความสุข เราลองสังเกตดูวันไหนที่เราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงวันนั้นเราจะรู้สึกสบายอกสบายใจมีความสุขแต่พอวันไหนเราเกิดความโลภเกิดความโกรธขึ้นมาวันนั้นหาความสุขไม่ได้เลยนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจที่ไม่มีความโลภความโกรธนี่พระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกทั้งหลายทั้งจึงไม่ต้องไปเกิด เพราะท่านไม่มีความหิวไม่มีความต้องการอะไรอีกแล้วเพราะว่าใจของท่านอิ่มด้วยความสุขันยิ่งใหญ่ก็คือความสงบนี้เองนี่แหละคือผลที่เราจะได้รับจากการที่เรามีศรัทธาความเชื่อและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้พวกเราอย่าประมาทตัวเราว่าเราปฏิบัติกันไม่ได้ ขอให้เราคิดว่าเราเป็นเหมือนนักเรียนที่เริ่มเข้าโรงเรียนใหม่ๆเราอย่าไปคิดว่าเราไม่มีปัญญาที่จะเรียนถึงมหาวิทยาลัย ไ, ได้ตอนที่เราอยู่ชั้นอนุบาลมันก็อาจจะคิดอย่างนั้นได้เพราะว่าระดับปริญญานี้รู้สึกว่ามันไกลแสนไกลแต่ถ้าเราตั้งใจไปโรงเรียนเรียนทุกวันเดี๋ยวพอสิ้นปีเราก็ได้ขึ้นชั้นไปเรื่อยๆนั่นเอง ขอให้เราปฏิบัติทงทั้งสามข้อนี้อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องและปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปทุกวันทุกวันหรือทุกเดือนทุกเดือนเราก็จะเลื่อนขั้นของเราขึ้นไปตามลาดับจนถึงขั้นสูงสุดได้อย่างแน่นอนเพราะว่าผู้ที่ได้บรรลุพระนิพพานก็ปฏิบัติอย่างนี้เหมือนกันหมดต้องเริ่มต้นจากขั้นอนุบาลไปก่อน ทำไปตามกํำลังที่เราสามารถทําได้ในตอนนี้แล้วค่อยเพิ่มขึ้นไปตอนนี้เราอาจจะรักษาศีลได้เพียงวันเดียวเช่นวันพระต่อไปเราก็เพิ่มเป็นสองวันสามวันตอนนี้เราทําทานได้ไม่มากต่อไปเราก็เพิ่มไปเทละเล็กเท่าน้อยตอนนี้เรานั่งสมาธิได้ไม่นานเราก็พยายามนั่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่งทุกวันทําทุกวัน ต่อไปมันก็จะทําได้มากขึ้นไปเองแล้วต่อไปเราก็จะสามารถทําได้อย่างเต็มที่แล้วผลต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนดังนั้นขอให้เรามีความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคําสอนในพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายและให้เรามีความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของเรา ว่าเราก็สามารถที่จะปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระษาวกทั้งหลายปฏิบัติได้ถ้าเรามีความเชื่อมั่นอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าเราจะสามารถปฏิบัติได้และเราก็จะบรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานได้ภายในชาตินี้อย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเราอย่าประมาทในความรู้ความสามารถของเรา ขอให้เราทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นสิ่งที่แท้เป็นสิ่งที่แท้จริงเป็นสิ่งที่จะเป็นของเราไปตลอดส่วนสิ่งต่างๆทั้งหลายในเรื่อนี้เป็นของปลอมจะไม่ได้อยู่กับเราจะไม่ได้เป็นของเราไปตลอดไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากเขาไปหรือเขาจะต้องจากเราไป แต่ผลที่เกิดจากการปฏิบัตินี้จางอยู่กับใจเราไปตลอดจะให้ความสุขกับเราที่ไม่มีความสุขกันใดในเรื่นี้สามารถให้กับเราได้เลยจึงขอฝากเรื่องของการมาทําบุญในวันนาค้ค บ, บูชาดีขอให้ท่านได้นําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาและปฏิบัติ เพื่อประโยชน์คือความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อบรรลุถึงพระนิพพานแดนแห่งบารมสุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนใจและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขละความเจริญด้วยอายุวันน้สุขภลระโดยทั่วหน้ากันเธอ